ค้นควงที่ครอบครัวเรามาพบกันกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนกันได้แล้วในขณะในช่วงเวลาต่อจากนี้เลยเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะในรายการสามเสนสนทนานี่ยละค่ะนมักการะท่านค่ะอาจารย์ปอนมีเรื่องเพิ่มเติมนิดหนึ่งจากเมื่อตอนเมื่อวานที่ได้พูดถึงเรื่องการบูชาไปอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีใครเนี่ยกำลังบูชา นะดุอธิของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยเช่นพระเกี้ยวแก้หรือว่าสิ่งใดที่เขาได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์หรือค่าครึ่งชีวิตแล้วว่าอันนี้อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าแน่นอนอย่างเงี้ยนะก็แล้วขอว่าบูชาแล้วก็ในใจก็คิดว่าโอ้ขอให้สอบผ่านขอให้ถูกหวยขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่ออย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นศิลปะตับประมาะผิดไม่ถือว่าคุณพึ่งพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องคือแม้จะเป็นของจริงพระบรมสารีริกธาตุจริงจริงอ่า แต่ไปบูชาด้วยความเข้าใจผิดผิดเห็นชันพูดอย่างนี้ถูกไหมคะบูชาด้วยเข้าใจผิดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะพระพุทธองค์นั้นไม่ได้หมายความว่าขอแล้วได้แต่ต้องทำแล้วถึงได้พูดอย่างนี้ได้ไหมคะต้องคือสองคานี้ต้องใช้ให้ถูกต้องคืออธิษฐานกับขอไงคนที่ขอนี่คือขอเอาผลเลยขอให้สวยขอให้รวยขอให้หล่อนะขอให้ถูกหวยเป็นต้นขอให้สอบผ่านพวกนี้คือขอขอผล นะแต่อธิษฐานนี่คือการอธิษฐานสร้างเหตุไม่งั้นพุะรูปเจ้านั่งใต้ต้นไม้โพเนี่ยงั้นขอต่อพระเจ้าขอให้ฉันเป็นสัมมาสัมพุทธาเถิดเอวังพระเจ้าก็เป็นสัมมาสัมพุทธาเหรอไม่ใช่พระรเจ้านั่งใต้คนไม้โพอธิษฐานว่าทําความเพียรอันไม่ถอยกลับนะถ้าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนี่ยเนื้อเลื่อนในศตรีละจะเกิดแยกไปก็ตามทีความเพียรอันไหนที่ใครจะทําได้ในช่วงชีวิตนี้ฉันจะทําถ้าไม่เป็นสัมมาสัมพุทธ์ฉันไม่เลิกทําความเพียรนี้ เพราะนั้นเราอธิษฐานด้วยการสร้างเหตุไงค่ ะ, ะ ต, ตัวอย่าง ต, ตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ทําไว้ให้ดูแล้วนะไม่ได้ขอแต่อธิษฐานสร้างเหตุเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการสวยใช่ไหมแตบบ่เมตตาสิเมตตาทําให้ทําให้ผิวพรรณสวยงามท่านคะเนี่ยค่ะกําลังจะถามท่านบอกแหมท่านพูดแบบนี้บอกว่าถ้าข อ, อสิ่งศักศิ์สิทธิ์โดยเฉพาะขอพระพุทธเจ้าขอพระบรมสารีริกธาตุที่ ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นองค์จริงยังขอไม่ได้เลยไม่เอาแล้วงั้น <c oughs> เลิกไีกว่าหันไปนับถืออย่างอื่นอ๋ออืม <c oughs> ก็ก็เป็นไปได้เพราะว่าค่ะอ่าฮะทีนี้ที่ดิฉันจะกล่าวเรียนถามท่านดิฉันถามว่าท่านบอกว่าอะไรนะคะถ้าถ้าทาอะไรนะคะสวยผิวพรรณงามเพื่อครูอะแผ่เมตตาพราแผ่เมตตาแล้วสวยผิวพรรณงามแปลว่าถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องในสิ่งที่ท่านต้องการแล้วท่านขอเฉยเฉยไม่ได้ ก็จะได้อย่างงั้นหรือไงคะเอ่อก็ให้อธิษฐานโดยการที่สร้างเหตุว่าอ้าวฉันจะตั้งจิตอธิษฐานว่าฉันจะเจริญเมตตาตลอดเวลาจนกว่าฉันจะสวยเอาอย่างนี้ก็ได้หรือคนต้องการรวยใช่ไหมเอาละ่ะฉันจะให้ทานฉันจะรักษาศีลฉันจะคบคนดีฉันจะมีธรรมะตลอดจนกว่าฉันจะได้หมื่นล้านเอา พอท่านพูดถึงเรื่องให้อืมก็อยากจะรวยคนยิ่งมีน้อยอยู่ถึงได้อยากรวยแล้วท่านบอกว่าให้ให้ใชให้มันเหมือนกับนําออกอะคะ่ะท่านคะก็คือให้นี่ไม่ใช่ให้หมดไงให้คุณต้องแบ่งทรัพย์จ่ายสี่ส่วนอย่างที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าหนึ่งเลี้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาญาติพะรย า, รยาให้อิ่มหนานะสองเอาทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยมาปกป้องทรัพย์ที่อื่นๆนะจ่ายประกันหรือเปล่าจ่ายค่ายามไหมจ่ายค่า ภาษีหรือเปล่าไอ้พวกนี้นะสามคุณต้องเอามาทรัพย์เนี่ยมาเกือเก้อกอ ก, อกูลเอื้อหนุนนะช่วยชาติช่ว ย, วยสงเคราะห์ญาติอะไต่างๆหรือเปล่าและสี่เนี่ยถึงคุณจะให้ทานแก่สมณะที่เพียปรปฏิบัติเพื่อเผากิเลสถ้าแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการใช้จ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องทซั์หมดไปสิ้นไปด้วยฐานะอันเหมาะสมค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ที่นี้เมื่อสักครู่ในะดูเหมือนกับท่านพูดถึงว่า ถ้าทำให้ถูกอธิษฐานขอและทําให้ถูกเนี่ยรวยได้ในทางคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีปฏิบัติอย่างไรหรือไม่คะศีลไงศีลถ้าให้รวยศีลนัสสุกติงเงินติศีลนัภโภคสัมปทาศีลเนี่ยเป็นทําให้มีทรัพย์มาก อ, อ, อีกในยัะหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยพูดเรื่องของคุณธรรมศีประการคือเรื่องของทา เ, เรื่องของจาระศีลศรัทธาแล้วก็ปัญญา มีศรัทธามีจาคะมีศีลมีปัญญาเนี่ยจะทาเป็นทรรหมายโพกศัพท์ได้จาคะคืออะไรคะจาระคือการให้การบริจาคมีฝ่ามืออันเปียกชุ่มอยู่เป็นปกติเป็นผู้ควรกับการขอยินดีในการจำแนงแจกทานอ๋อค่ะขออะไรก็ให้ชุม่มมือชุ่มเนี่ยหมายว่ามือเขาจะต้องเปียกน้ำเอาควักข้าวให้ควักข้าวให้อยู่เรื่อยๆค่ะ <laughs> คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาในการที่จะบริจาคจะให้ทานไรย่งเง้ยคถอะแล้วก็ต้องมีศรัทธาศรัทธาในอะไรคะศรัทธาในการตรัสรุปของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นพระอรันตรัสสรุปชอบได้เร่อโปรองเองค่ะแล้วก็ปัญญาปัญญาคือคือบัญญาที่ให้เห็นการเกิดดับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วนะวันนี้ดิฉันอยากจะตั้งคําถามเรื่องปัญญากับท่านตั้งแต่ต้นแต่ว่าเดี๋ยวขอพักตรงนี้ไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะย้อนกลับมากราบเรียนถามท่านว่า คุณธรรมตามพระศาสนาที่พระศาสดาได้ตรัสรู้เอาไว้คือจาระศัทธาปัญญาจะทําให้เรารวยในเรื่องเข้าใจถูกหรือเปล่าคะถูกต้องศีลจาคะศัทธาปัญญาศีลอ๋อต้องมีศีลด้วยนะคะใช่ใชฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊มเป็นไปได้ยังไงท่านอาจจะบอกว่าสีเลนะ ส, สุขติงยันติศีนทาให้มีความสุขใช่ไหมคะใช่สีเลนะโภคะสัมปทานี่ฟังมาตลอดและเพิ่งรู้เหมือนกันเลยครับว่าผมว่ารลกษาศีลแล้วทําให้รวย อ่ะฮแล้วก็จาคะคือการยินดีในการบริจาคในการให้ใช่มีศรัทธาที่ถูกต้องอืมนะคะมีปัญญาเห็นการเกิดดับมันเกี่ยวข้องกันยังไงให้โยมติวมาหาตัวอย่างนี้คือถามว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรเองอย่างนี้นะคะแต่ถ้าตรงประเด็นแล้วมันทําให้รวยได้ยังไงเอาอย่างนี้สิวิธีรวยที่ง่ายที่สุดเนี่ยคุณไปธนาคารคุณเอาเงินที่มีอยู่ในธนาคารออกมาเก็บไว้ในกระเป๋าคุณคุณก็รวยได้ถูกป่ะโดยการปล้นเอาโดยการจี้เอาโดยการ กระช่างเอาก็ได้ทั้งนั้นอ่ ะ, อะทีนี้เอาตัวอย่างง่ายๆเอาต้นไม้คุณโยมติ๋วใส่ปุ๋ ย, ท, ยที่ไห น, นที่ดินนี่ค่ะอ้าวแล้วรดน้ําที่ไหนรดน้ําที่รากค่ะอ้าวแล้วทำไมมันไปออกที่ผลอ่ะเวลาเรากินมะม่วงเรากินที่ไหนเรากินผลมันนะค่ะเออเพราะฉะนั้นเราทําถือรักษาศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงินมันไปผล่ในกระเป๋าเอา้ามันมาได้ไงแล้วทําไมเรารดน้ําที่รากไปออกที่ผลอ่ะ เข้าใจปะมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นระบบของกรรมที่เราทําดีเนี่ยมันก็ออกผลมาเป็นตามระบบของกรรมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลักษณะนี้พระเจ้าพูดไว้อย่างนี้อาตมาก็ามาพูดต่อท่านเองค่ะแต่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าจะให้สบายใจขึ้นไป น, นี่สําหรับคนเชื่อยากขออภัยนะคะว่าไปคือเมื่อก่อนเคยเชื่อยากมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันเชื่อนะคะเพี่ยนแต่ว่าจะกลับเรียนถามเผื่อคนที่ยังไม่ค่อยเชื่อออ อย่างศีลรักษาศีลถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นเราก็จะไม่ถูกเบียดเบียนอาล่ะชีวิตทรมาหากินได้สะดวกสบาย ไ, ไม่รักทรัพย์ยิ่งดีใหญ่เลยไม่มีทําให้ใครเขากล่าวหาเราหรือว่าเล่นงานเราได้แล้วก็ทําให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือว่าเป็นคนไม่ขี้ขโมย ไม่อยากได้ของคนอื่นมีเครดิตดีไม่ประพฤติผิดในการนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยเป็นคนที่ที่มีวัดปฏิบัติที่อะไรนะคะก็คือจะทำให้ไม่มีศัตรูไม่มีศัตรู อ, ตรอันนี้จะพูดตรงตัวของของผลของการรักษาศีลใช่ไหมคะใช่ๆช่ค่ะส่วนการไม่ไม่โกหก ไม่โกโหกนี่ก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือในสังคมการค้า<ช>คนที่พูดจาไม่โกโหกในดีมากเลยนะคะใช่ใช่ใช่และสุดท้ายก็คือถ้าไม่ดื่มสุรายาเมามก็ทําให้เป็นคนที่ครองสติได้ทําอะไรก็เชื่อถือได้เป็นหลักเป็นฐานใช่อันนี้ก็พอที่จะเห็นแล้วว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่จะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าได้ใช่จะทําธุรกิจประสบความสําเร็ จ, จต้องมีพวกนี้แหละค่ะส่วนจาคะเนี่ย ดิฉันก็เชื่ออย่างหนึ่งคือจะไม่พูดถึงเรื่องกุศลที่มันมองเห็นยาก น, นะคะเอาแบบตรงตัวก่อนอว่าคนที่มีน้ำใจก็มักจะได้รับตอบแทนมาบางทีได้มากกว่าน้ำใจที่เราให้ไปใช่คนที่เป็นผู้ให้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของจนเป็นอันมากมค่ะนะคะส่วนมีศรัทธามีศรัทธาก็ เช่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไงค่ะในการที่เป็นคนอยู่เขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคนเขาจะให้ความสําคัญให้ความเคารพนับถื อ, อแล้วก็ในส่วนของปัญญาอันนี้เป็นเรื่องบา ร, รมีแล้วนะคะชั้นสูงเห็นการเกิดดับเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าทําเช่นนี้ได้แล้วจะเป็นคนมีทรัพย์หรือท่านถูกต้องเป็นทางมาแห่งภูทรัพย์เป็นทางมาแห่งภูเขทรัพย์ ศีลค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเราพูดถึงเรื่องศีลอย่างเดียวใช่ไหมลาร์ดามาก็ยังมาพูดถึงคุณฑธรรมสี่อย่างนี้คือศีลศรัทธาจาระปัญญาใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าถ้าเธอมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่ออันนี้ก็สามารถทําให้มีโพกศัพท์ได้ก็คือมีความเพียรนนะ่ะว่างั้นเถอะเป็นคนขยนันใช่ไม่เกียจคร้านใช่ นี่ก็เป็นเหตุผลตรงตัวเลยประกอบศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะด้วยการทําราชการการเป็นทหารการเลี้ยงโคหรืออาชีพที่ใช้มืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถกระทําหรือจัดให้กระทำบทเปรยชนะคืออย่างนี้ทําเองก็ได้หรือเป็นผู้จัดการก็ได้แล้วก็มีความเพียนเป็นเครื่องรุดขึ้ น, นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนตัวชุม่มด้วยเหงื่ออันนี้ก็ทําให้เกิดรับได้ค่ะนิสืยเนื่องมาจากการที่ท่านพี่บูลได้พูดถึงการบูชาที่ถูกต้องถึงแม้ว่าค้น ของหรือว่าสิ่งที่เราบูชานั้นจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจริงของแท้แต่ถ้าบูชาผิดด้วยการขออย่างเดียวไม่ลงมือกระทำโอกาสที่จะได้ก็เป็นไปไม่ได้จะต้องศึกษานะคะว่าควรจะทำอย่างไรเอาหอมปากหอมคอในคำสอนของพระพุทธองค์เรื่องนี้นำมาไปปฏิบัตินี่ยิงปืนนัดเดียวได้นบสองตัวเลยนะคะได้ถึงสองตัวตรงไหนตรงแรกคือณปัจจุบันคุณก็จะมีความสุขณนะพบต่อต่อไปคุณก็จะมีความสุขสองต่อ ค่ะเห็นไหมคะลองไปทดลองวิชาพระพุทธเจ้าดิฉันขออนุญาตพูดเสริมที่ไม่ได้เกี่ยวกับพุทธวจนะนิดนึงนะคะเป็นประสบการณ์ที่ได้ไปเจอคนที่เข้าธรรมาหากินเปนน็นพันพันล้านนะคะแล้วเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมชีวิตเขาเจริญมากขึ้นทุกวันคือตอนแรกก็รวยแล้วแต่รวยแล้วยังเครียดพอเครียดแล้วเข้าวัดพอมารู้ธรรมะของพระพุทธองค์ปฏิบัติตาม บอกเครียดก็หายอืลูกค้าก็มากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นพนักงานในบริษัทก็มีความเรียบร้อยปกครองง่ายเพราะว่าเป็นผู้นําในการที่จะนําให้พนักงานในบริษัทนี้ได้อยู่ในสีในทำปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันไปด้วยอันอันนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าคนรวยเนี่ยก็ยิ่งรวยยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็นความไม่ยุติธรรมในสังคมป่ะคุณโยมตีว่าเออ คือถ้ารวยแล้วไม่ออเอาเปรียบนะค ะ, ะดิฉันว่าถือรวยนี่ต้องดูว่ารวยแล้วเขาแบ่งปันหรือเปล่าอเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็วัดที่คุณธรรมมาน ะ, ะอ่พระเจ้าก็เคยเปรียบเทียบว่าคนรวยอย่างเงี้ยแล้วก็ทําความดีอย่างเนี้ยยิ่งจะมีแต่จเจริญขึ้นแต่ถ้าคนจนแล้วคุณทําความชั่วทํานุ่นนี่คุณมีแต่จะต่ําลงลก็คือเปรียบเสมือนคน ท, ที่ที่เล่นการพนันถูกครั้งแรกครั้งเดียวรวยไม่รู้เรื่องอค่ะนั้น ถ้าท่านคิดว่าพระพุทธองค์พระศ า, าสดาของเรานั้นทรงเป็นผู้ที่เลิศคำสอนของพระพุทธองค์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้วันนี้ท่านยังอาจจะมองไม่ออกต้องนำไปปฏิบัติอย่างนั้นนะคะใช่ต้องทดสอบเลยไม่เชื่อใช่ไหมเอาไปทำทำแล้วไม่เวิร์กเหรอแล้วก็ค่อยรู้ไงเวิร์กแล้วเอามาบอกด้วยค่ะนะคะและนี่ก็เป็น ถือว่าสําคัญมากสําหรับยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่เท่าเราบอกว่าเข้ายากหมากแพงไม่รู้จะอยู่กันยังไงคนจนก็ยิ่งแย่ลงคนรวยก็ชักเริ่มแย่เหมือนกันเอย <c oughs> ่าเพิ่ท้อแท้หันเข้าหาคําสอนหันเข้าหาธรรมะนําไปปฏิบัติตามดีมา ก, มากนะคะด<ม>ังที่ท่านเผยบุญได้นำเอามาฝากในวันนี้ท่านเผยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซจังหวัดอุดรธานีนะคะที่มาเปิดธรรมที่ถูกปิดให้กับพวกเราทุกคนในช่วงเวลาที่กําลังจะผ่านไป กาบนวัฒการของพระคุณท่านค่ะอาจารย์อนทัน้งที่รบค้าและรายการนี้ก็คือรายการ ส, ารสัสนิษฐานาดําเนินรายการโดยดิฉันสันนิษฐานาพงศ์นะคะยันเองก็จริงๆแล้วไม่อยากจะพูดอะไรในลักษณะที่อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสนใจแต่เรื่องเงินเดินทองทองร่ํารวยแต่จะชี้ให้ท่านเห็นว่าการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั้นการอยู่ในศีลในธรรมในคําสอนของพระศ า, าสดาพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ ว่าเป็นไปได้เพียงแต่เราต้องนำไปปฏิบัติเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วก็ประสบความสำเร็จในความต้องการในชีวิตตาม ท, ท, ทํานองคลองธรรมของท่านทุกท่านนะคะพุทธสวัสดีคะ่ะ